Book 2 7เจ็ดสิบเก้าตคำคุณศัพ2 2> <ive> ท์สองออบเจกตดิฉันสวมชุดสีฟ้าย้ายหอเรนบลูคุลล์ไปเมยดิฉันสวมชุดสีแดง ดิฉันสวมชุดสีเขียวฉันมีร e งเท้าสีเขียวฉันมีรองเท้าสีเขียวฉันมีรอเท้าสีดขียวฉันมีรองเท้าสีเขียวฉันมีรองเท้าสีเขียวฉันมีร e r meg. Jeg har en b r ส n v ข s k ว ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวด ja. ิฉันต้องการรถคันใหม่ด er ิฉันต้องการรถความเร็วสูงด er ิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย ผู Jeg er bil. ้หญิงชราอยู่ชั้นบนด้ bon. p p e b อ e เป้บูด e นก a m m e ลดาม e ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนด้าน p ๊อ e เ d e บูดีน o ุกดามะผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่างด้านนีเดบูดีนนิชชาร แขกของเราเป็นกันเองแขกของเราเป็นคนสุภาพแขกของเราเป็นคนน่าสนใจแขกของเราเป็นคนน่าสนใจแขกของเราเป็นคนน่าสนใจแขกของเราเป็นคนน n าสนใจแขกของเราเป็นคนน่าสนใ แต่เพื่อนบ้านมีลูกซนเมืองนาบูเน่ห์ม e เฟรเก่บาร์นลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะไอ้บาร์น้าดิเนลลีย